ตัวทรกกัตามสบนตางกันไปใช่ไมตางกันไใช่ไหมตัวีปัญญาไม่ประโยน์หรอมีประโยชน์มากสมัยก่อนการเก็บเงินทางวัดนี่ล่ะก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นอุบริสุ เข้าใจในการปฏิบัติทุกคนเนี่ยมันก็ไม่หีเยอวมากอยู่ตามตาในการปฏิบัติในขณะทำรัชานขณะในใจทำรัชปฏิบัติยูกอยู่กันไปที่ไหนด้วยบ้านละรวมกันทาวัดตอนนีการคบุมกัน วัดพระหัตารามาจัรพระนยุทะารมเจจันทเของสถิของเราก็ะสัาสัมุทธเ้าองค์นี้ดังพระสันร์ดังยุทดัสุเราอง ทำเป็นส่วนตัวเราคนเราก็ห น, นือนักันผู้ปฏิบัติห น, นุนนือนกันบางวงก็านานๆผู้ที่ก็เข้าใจกางบางวงก็ชอบจันที่จันชัยตอนเช้าตอนเย็นชอบแบบนั้น บางคนจะชอบเรียบเรียบบางคนจะชอบผูกเข็ูขเดนั่นเราทัฒนาการปฏิบัตินี้ต้องเป็นรูปแบบเป็นรูปบายพื่อจัดสั่งสอนจิตขเราน่ยให ตัวท่านของพระมันแบบดีดายถึงนั้นนี่ตื่นเต้นดายถ้าเราจัดจมประสงค์ของพระพุทธเจ้าเราที่เรามาบวชในพุทธศาสนานี้ประสุถ้าองค์ของเรามีพุทธประสงค์ อยากใหุู้้บริษัติหนี้ตัวข้าพผู้ปฏิบัติเพื่อตั้งคำถามนในคำสอนของท่านให้ประกาศาสนาของท่านยืนยงคงทนอยู่ ต, อตลอดกาลนานนั่นเองผูปฏิบัติทุกคนทุกท่าน ก็เป็นวัทธาวิริยะคติสมาธิปัญญานี่เป็นกำลังท่านกล่าวว่าเป็นกำลังทั้งห้าทังห้าอย่างนี้เสนอภะละเป็นกำลังนี่เป็นพลังแต่พลังของจิต ตัพ ท, ทานตัพ ท, ทานไหววคนเชื่อถ้าพูกง่ายๆก็เดี๋ยวตัพทานี้มันมีทุกคนแต่ว่ามันไม่ถึงสัพทานัพ ท, ทามันเชื่อจิตใจของเราเรืเ่องันไม่ถจะเชื่อมนุษย์ทั้งหลายจะไปจะเชื่อกัน พูดง่ายเลยว่าบวชมาล่ก็ให้มีจัตตาผู้มีจัตฐานั้นจะต้องเคารพคาว ะ, ะสพุดสะคปสะตค์อยู่เสมอระวังไอ้สิ่งที่มันผิด อยากจะในรุงชผู้ปฏิบัติราทำเาชั่วว่านี้มันติดอันใดมันติดก็อันนั้นมันเป็นอก็เาไม่ใช่ว่ามันเป็นอย่างนี้อนเาน เรามาประปฏิบัติในค้นจากความผิดถ้าเรามีผิดอยู่ก็ยังไม่มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์เริ่มแต่ว่าเรายังไม่รู้จกักไม่รู้จักประพุติเจ้าของเพร่อติวษาข้อปฏิบัติอันนั้นให้รู้ อะไรที่ยังไม่รู้เราจะมุนเวยเปลี่ยนนี่มันก็ไม่ได้เป็นผู้มีกถาเชื่อว่าผิดเป็นผิดผูกเป็นผูกอย่างนี้โคตรง่ายๆนี่นก็ไปกันได้ขนาดนีนน้อะไรที่ยังยังหลงผิดอยู่นั้นก็เหลืออันนั้นเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักเรื่องการรบอยู่เสมอ สังรวมสังรวมอยู่ตลอดเวลาจะไปอาศัยคนอื่นอาศัยครูอาจารย์แนะนำสอนอาศัยความรู้สึกนิกคิดการปฏิบัติเราเองด้วยเรียบเทียมกันไปท่นานมีศรัทธาอยากไปเห็นหน้าเรามีศรัทธาเราจึงจะมาบวด แต่บ u a ว่าไม่ทาตามคำสอนขอ ง, ของพระกูธเิ้าของเราอันนั้นเรื่องศรัทธายังไม่ถึงที่สุดศรัทธาก็ต้องพยายามธราม น, น้ยังไม่เบียดเบียนแต่จก็พยายามอยู่เสมอมีเรื่องศรัทธาความเชื่อตอาา้นตอของตระกูลปิชาถ้า่าตุกาศรัทธาแล้วมันต้องถูกไปอยน์อะไร ถ้ามีปัญธาแล้วก็มีความเพียรมีความเพียรเพียรเพื่ออะไรเพียรเพื่อเจระข้อจิตธมนั้นพยายามจะแยหาในทางที่ถูกยูเยสมอพระพุทธองค์ท่านก็สอนว่า เมื่อหยวดมาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทำตัวเป็นพระจุดสุดใหม่เสมอไม่ใช่แบบเก่าอืให้เป็นผู้ใหม่อยู่เสมอสยดสยองอยู่ต่อข้อปฏิบัติสนลงเสมอด้วยอืมใจ จะยืนจะอนจะนั่งจะนอนจิตก็ปลาโลอยู่ว่าอะไ้ไนั้นไอาาน้เราจะทไอ้เดือดร้วนได้โดยทีอย่างไรไม่มจะมีความมากน้อยโดยทีอย่างไรจะปฏุบัตอย่างไรต้จะเป็นอย่างนั้น เาเริ่มลอยู่อย่างนี้เสมอพยายามคัามผิดชอบเฉพาะตัวเราอยู่ทุกเวลานี้ที่คำว่าอัตโมุ่งพยัตินังรงเตวนตนด้วยวนเองอันนี้มันสาคัญกว่าเพราะว่าตน ที่สมมติมันก็อยู่ที่เรานั่งเราจะนั่งตนจะนั่งนอนเราจะเบีกว่าต้นเราจะเป็นตนตอนนั้นเนี่นนนยววทำ เ, เรียกว่าคนอื่นจะเป็ตนตัวตนคนอื่นแต่ตัวตน้นหาโอกาสเวลาที่ท่านจะไม่นอนฟังสอนมันห่างไกลจากตัวตน้น นั่งคอตัวตนตัวเราคือือตัวเราเรานั่งอยู่เราคิดอย่างไรไนอนเราคิดอย่างไรยืนเราคิดอย่างไรในเวลานี้เราทอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่อย่างนี้ยกว่าเราตารูตัวของตัวขแต่เปาการกระทันตันี้การเรียกวิริยตเน เพียงขั้วชนะความข้วแต่พื่วดีนจุดเริ่มวันหนึ่งไอ้เพียงว่สิ่งทีิดสิ่งที่ผิดมาตัดไปบบเพื่อความผิดหมดไปเมื่อความผิดหมดไปก็เหลือแต่ความที่ไม่ผิดไอ้ความที่ไม่ผิดนี้อืองอะไรของที่ิสุทินั่นจะเป็นสุดเพียงวิทยาลัพสารวบสุดเพียง แล้วจากนั้นจะยืนจะเรีย น, นอนอยู่ตามมีความปลาบปลือยู่เสมออืยัหาหางไงความยากของเราอ่ะซึ่งมันมีความร่วงหลว่อยในใจนี้มันจะเบาลงไปมันจะบางลงไปมันจะนัดแน้วมันจะสงบมันเป็นความเหม็นชอบกานธรรมะธรรสนอน ข, ของพระพุทธเจ้าของเรานั้น อยู่กับปลาลดความเพยอยู่เสม อ, อมนั่ม่ลืมเม่อมีความรอยู่เมมีสติสติคือความระลได้อยู่ในเมื่อเราพูดอะไรทำอะไรอย่างไรอยู่เป็นู้มีสติตื่อยู่กระลุกอยู่เสมอ วรมทิติร el ู้ไหมมันรู้ได้วรโมทิติวรมทิติที่มันเป็นต้าแหน่งเช่นแมลงมุมที่มันทํารังมันที่ไหนมัมีโอกาสหรืว่ามันไปทํารังมัน ทำ ใ, ใ, ม, ใ ม, มันตันเว้ตันยาตันไป้ตันม า, ม า, มาเหมือนคนที่กำลังสู้กาบอะไรสิ่งนั้นจะแก่ตัวเข้าไปใน่านย์จุดศูนย์กลางของร่งมันนั้นอยู่แต่มนนมิ่งอยู่สงบอยู่ด้วยวิสัยทิวจับจังหวัดเก็บตัวไว้ กิจตรงกลางมล็ดเมีนเน่ดพอมล็ดหวังเมล็ดพุ่งเมล็ดต่างๆที่มีน้าตานใหญ่นันก็มีความสัมพัทธ์กรุ้นรู้จักตัเวเมลเงูกระตกติขึ้นรีบไปจับจับนั้นเมื่อเป็นอาหาร เมื่อจากเจตน์เรวต่อเรียกมาอยู่ในจุดเก่าจุดที่อยู่เนะี่ยก็ทางความสงบนวลมีสติรู้ว่าอะไรมันจะมาอะไรมันจะมาสู่เข้าจนมันสัมผัสเมือ่อใดรมรงมงก็ถึงตลอดเรมรังงมันอยู่โดยสติกพรมันจ้องกินอาหารมันบวบัประวันอยู่อย่างนั้นตรอดเวลา เมื่อจัดแล้วนั่นก็วิ่งมาอยู่ที่เตามันอย่างนี้เป็นวิสัยของมามลงมุมที่จัดจัดกินอยู่เม้่อดนั้นนั่นก็เหมือ น, นกันใจจิตของเราจิต ข, ของเรามันอยู่กุดกลางของอายตน ะ, ะตาหูจมูกตาจิต มันรู้ส well. ึกอยู่เติอยู่ว่าอะไรมันจะมาสัมผัสกันตาตาเปิดรู้มันจะรู้มึกมีติอยู่หัวความียงมันจะรู้สึกมันมีติอยู่ในตัวเหม็นหอมอะไรมันจะมีรู้สึกเรื่องมันสัมผัสรสอชารรสต่างๆมันรู้สึก ธรรมารมที่มันเกิดกับใจมันก็รู้สึกนี่คือการสันผัสสัมผัสครั้งแรกมันจะรู้สึกเฉยๆเช่นหูเราสัมผัสเสียงสัมมามันมีเสียงสัมมารู้ก็ดีเสียงตัวดีฟิลต์ตัวดีสะตัดตัดีธรรมาลมก็วดีเมื่อมันมากระทบแล้ว นั้นก็ยัง ม, มีอะไรเกิดทึนพอกระทบแล้วจะมีความต่อไปมีความต่อซึ่งมันจะเกิดทีดีซึ่งมันจะเกิดันหาซึ่งมันจะเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นไอ้ทั้งว่ามันมันรู้เรื่องอะไรมันรู้สึกเตย ต้องมีความรู้สึกแม่นกตาติดต่อไปว่ามันเสียงอะไรแม่ทะละจริเมื่อนรูปมันก็เฉยอยู่ต่อไนเกิดขึ้นที่หลังต่อไปรูมีสวยไหมเพื่อนไม่สวยไหมอันนั้นอยกว่ามันจะพบต่อมามันไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดตัญหามันเกิดราคะเกิดโทสะโมหะ ผู้ประพฤตปฏิบัติมีความมั่นใจนั้นถ้าเราระนัดระวังอยู่สังวะอยู่สังรวงอยู่เรื่อยๆมันจะรูจับตัวของเจ้าของรูจับจิตของเจ้าของว่าจิตเจ้าของอืมันเป็นไปมันไม่รักษณะอันใด มันก็ร like ู well. ้จ like ักเมื่อเรารู้จักจิตของเจ้าของนั้นเราก็รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของเมื่อเรารู้จักจิตของเจ้าของแล้วเราก็รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของตอนนั้นฉังนั้นตัวสตินี้่เป็นตัวที่สําคัญมากที่สุดเมื่อมีสติ้เราทั้งวองอยู่ทั้งวงอยู่ก็ดึงเอาปัญญามา โอก น, น, น, น, นี่มันเป็นยังไงเสียงนี่มันเป็นยังไงอะไรไหมธรรมะมาช่วยที่เริญนาอันนี้โดยสติมีคุนค่าสมาธิสมาธิมีความสัง้งใจนั้น สมาธิมันมีส่วนากจากเตปิ้งนะเตปิ้งสมาธิถ้าพวกเพื่อนมีสมาธิตามศาสสมาธิมันท่านหมายถึงความตั้งใจมันอางเราจะรัอารมณ์จิตวิญญชั่ว ปีนตะบันนาวีมนคืนคายมันนั่นในข้อประเพณีของเราข้อปฏิบัติของเราอยู่นสนามาธิของปัณจมันสมาธิมีหลายกันหาที่เราทำกันอยู่ตัวันนี้สมาธิคุณนั่นก็ดับตาตันนัด อันใดันเป็นมาเป็นอารมณ์เช่นที่เราอบรมกันนี้ทำไมถึงเอาเป็น A อ, า, อน า, ารมณ์ยังอนาตาเนสตินีเอาเป็นอารมณ์เอาเป็นค่องไม้เอาเป็นจุดเด่นที่จุดไม่จริงที่ท่างหลายที่เรารูอยู่นันองี่จะ ม, มุ่งหมายมให้เป็หลัก ว่าจิตเนี่ยมันมีอารมณ์หลายอย่างหูฟัเสียงก็เป็นอารม์หนึ่นมงมรวมสิกร์มันหลายอารมณ์งที่มันมาลาอารมณ์เนี่ยมันจะต้านังนันจึรวมจุดมากๆมาเป็นอารมณ์เดียวเราจะเรียกอารมณ์นั้เอา ที่วัดดาวนี้กิสอนอ า, า, าณาตาและสติอ า, า, าณาตาและสตินี้มันเป็นของงา่ายเกาะลอยก็ ม, มีเหว่าเรานั่งอยู่แล้วก็หายใจอยู่ไดว้วูบหายใจอยู่นอนเรวก็หายใจของเราอยู่งั้นก็กำหนดไอาสิ่งที่มันมีอยู่นี่ไปใกล้เป็นอารมณ์หายใจเขา้าหายใจออกเข้านี่เป็นอารมณ์ เพือยากจะให้จิตมันมั่นในอารมณ์คใอนาตาแลในสตินี้ไให้มันสลุสร้างสได้อย่างโตทันมากมากมันมีมากแต่การมันน้อยอารมณ์มากมันมากแต่เราอาศัยว่ามันมากอยากจะทํำงันมันน้อยจิตเป็นอารมณ์เดียวเาจนรทรุงจดหายใจเข้าออกจำได้พร้อมตั้งึกว่าฟุตโต พุโทโธว่าในใจของเราเสมอมีความละมุกอยู่รู้อยู่เต็มหมดในพุโทโธนั้นนี่เปรียบว่ามันเป็นอารมณ์เมื่อเราทำเตานั่งอยู่ทำอยู่หายใจออกก็เป็นพุโทโธหายใจเข้าก็เป็นพุโทโธ คุโ t o n ั่นก็หมายถึงว่าเราู้อยู่นั่นเองเรารู้อรู้ด้วยจิของเราที่เราเตือนอยู่นั่นแหละมนุษยถ้าเรารู้จักจิของเจ้าของมีติอยู่เราจะรู้จักจิตของของจิตของเจ้ของมันคืออะไรอะไรมันเป็นจิเราจะจะเห็นรับผู้ที่มีอำนาจในรับเอาซึ่งอารมณ์ทั้งหลายนั่นเอ เรียกว่าตัวจิตสมมติว่าจิตหรือใจอที่เราสมมติรู้ที่ตัวมันสมมนดรู้ตามลมเข้ามันจะรู้จักลมออกมันจะรู้จักคนที่รู้ลมมันเข้ามันออกน่าจะคือตัวจิตที่เราสมมติว่าตัวจิตถ้าเราสมม น, นดตรงหายใจเข้าออกอยู่เสมอนัน ใครตามรู้อยู่ในเวรานั้นแล้วจะรู้จากใครตามรู้อยู่คนตามรู้อยู่นั่นจะเรียกว่าจิตอารมณ์นั่นจะเป็นอารณ์จิตนั่นมันจเป็นจิตก็คือผู้รู้มันก็เป็นผู้รู้อารมณ์มันก็เป็นอารมณ์มันเป็นคนละตอนละท่านท่านชี่จะทำตุสนาทีเมื่อตุสมาที่มีอามันเดียวแล้วนันจะเป็นจิตมันจะของว่าเออจิตที่มันเป็นอย่าง อารมณ์ <ologist. S 2> un, to to ที่มันเป็นอย่างนั้นอารมณ์ที่มันกระบอกนั้นเป็นอย่างนั้นี่รู้สึกอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นนั่นคือพุนสองอย่างนี้ถ้าเราไม่เป็นสมาธิไม่ทำสมาธิไม่มีอารมณ์เดียวยืนยันอยู่เราก็ไม่รู้จิตของเจ้าของถ้าไม่รู้จิตของเจ้าองก็ไม่รู้จัดจัรสอนจิตของเจ้าองไม่รู้จักจิตของเจ้าอง จิตก็ถอนสศ้าหองก็ไม่รู้เรื่องจิตผ่องใสก็ไม่รู้เรื่องอืมไม่รู้เพราะทำไมเราสันสอนอีกของเราพระท่านบอกว่านีมดูก่อนที่สูญทั่วร้ายอืมใารตามดูจิตของตนคนนั้นเจับต้นจับหว่างของมัน วังของมันมันคืออะไรคือโรกหนึ่งเสียงหนึ่งตริหนึ่งรถหนึ่งโสดะปาหนึ่งธรรมาลงหนึ่งอันนี้นะมันจะเป็นหวงมันเป็นหวงอันหนึง่งพึ่งจะปลุกจิตพุทธิปุโรหิตรับมันเองเข้าไปในอํานาจของมันเข้าไปอำนาจเข้าไปในอำนาจของความเกลียดของความรัก นาจาเรารู้จิตของสองส่วนนั้นทั้งราเนี่ปดดยปูะรว่าอันี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตารมองเห็นว่าอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตันก็เป็นจิ ต, แตาแยกกันออกเป็นสองอย่างเเป็นสองอย่างเราแยกอเป็นสองย่างเราะรู้จกจิตตนั้นไยดมันถือมั่ น, น, นอารมณ์ อารมณ์นั่นแหละคอว่าโลภโรภหลงอารมณ์ก็คือหลงโลกหลงโลกก็คือหูงอารมณ์เขเป็นคนหลงก็คือจิตคือรู้นี่แมันหลงมันหลงตามอารมณ์ที่ดีมันกระหลงไปชั่วมันสระลงไปตามสุดมันกรลงไปทุกข์มันกะหลงไปตามมันตอบตัวมันก็แมนัน ว่ามันเป็นตัวทุกข์ใความเปนจริงนั่นมันจะทุก ข, ขเพราะว่ามันเข้าไปอุปการมั่นหมายในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเลยเป็นตจบของาอารมณ์ในความเปนจริงนั้นอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตมันคนด้อย่างกันเมื่อเราเข้าไปยึดว่าอันนั้นอืม มันดีอันนัานมันสวยอย่างมี้เป็นต้นในชาวบานเห็นเฉยเห็นมรรลุประทานมั่นหมายไปยกดั่นหรือมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็เรียกว่านั่นแหวกเียกว่าลบ่วงของปรมานมันโผล่ไปความพอใจมันก็โผล่ไปความทุกข์พอใจมันก็โผล่ไปความสุขมันก็โผล่ไปความทุกข์มันก็โผล่ไป ชั่ว um, มันก็ผูกไปดีมันก็ผูกไปอย่างนี้อก็เพราะว่าเราไม่รู้จักจิต ไ, ไม่รู้จักอารมณ์ <te an> ถ้าเรารู้จักจิตก็เป็นจ้าของเราอารณมณ์ก็เป็นอารมณ์จิตันก็เป็นจิตนันเป็นตัวอย่างถ้าเราไม่รู้รจักอันนี้เราก็ไปเป็นเจ้าขอ ง, งของอารมณ์นั้นเมื่อเราไปเป็นเจ้าของอารมณ์นั้น เราต้องรักเราอารมณ์นั่นอยู่ตอารมณ์นั่นอยู่ตใจจของอารมณ์นั้นทางอันหนึ่ว่าอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์เราต้องรู้จักสอนจิตขอ้องรู้จักสอนจิตของเจ้าของเราม่ควรตัอกตั้อารมณ์ขึ้นมาเราครู้จักว่าอันนี้เป็นอารมณ์ อันนี้มันเป็นติดมันก็ตรวจง่ายๆมันไปอยู่ใกล้การคิดตันงเหมือนแต่น้ำ ม, มันน้ำตามันมีน้ําหนักต่งางๆใจแต่ก็ปวดเจอลมประดาแต่ว่ามันแค่ตึงต่อหาตั้งหยุดปัดอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นถ้ารู้จักว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิต มันก <ersch> ็เห็นจิตเป็นจิตเห็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์สัต่ว่าอารมณ์ทนั้นอารมณ์นั่นแหละคืกวาโลกเราหลงโลภก็คือหลงอารมณ์หลงอารมณ์ก็คือหลงโลกเอาจิตกับอารมณ์ทั้วคปกันจนแยกกันได้เนี่ย แยกกันออกไะครับว่าเราเป็นจิตเราเปนารมณ์แยกะเมื่อแยกแล้วเามารู้จักว่าเรา็นิดอะไรจนอารมไม่รู้จักเจ้าของเมื่อไม่รู้จักเจ้าของก็ไม่รู้จักสสอิตของเจ้าองนั้นเะนั่นที่พระพุทธองท่านในสังรหรือทังวรนั้นก็เนพว่านี่เป็นจิตอันี้ว่าเปอารมณ์ันเห็นภพงนั้น อารมณนี่นั้นก็สัตว์ตัวอารมณ์ต้ก็สัตว์ตนหอารณ์ก็สัตว์หัวอารมณ์นั่นเป็นธรรมชาตอันหนึ่งมันเป็นอยู่อย่างนั้นเขาเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งใจไร่ไรมาเขาก็เป็นขอเาอยู่อย่างนั้นถ้าหากเราไม่รู้จากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ไปจำคำนั่งหมายมัน ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ตอนมจริงวันนี้นมันเป็นของเก่าแต่มันตั้งอยู่อย่างนั้นเลยนันั่ น, นจะพจะุดก็ไ้่เพือให้ปฏิบัติให้ถึงมาที่สั่งสอนว่าท่านทั้งหลายหรือว่าสูทั้งหลายจงมารูโลกนี้อำ น, นาะาาการดูแลตลอด อันกต้นเสาตั้งาวหมกอยู่แต่จะรู้นะทำอย่าอามืเป็นตัวทำาทำกันอุกทำพุกตรงระดผมลอกนิ้วมันวุ่นวายนันก็เป็นอย่ังนี้ลอกนิ้วในใจเรามันวุ่นามันเป็นธรรมยังไ ที่เราตัดหม้นั่นมื่อพอเราตัดมันมันก็วุ่นวายแต่รู้สังเกตุว่าปัญญาและกัที่นั่นไม่วุาถ้ามันวุ่นวแล้วก็คงวุ่นายด้วยไปดูถ้ามันมีปัญญาดูเลยที่นั่นมันไม่วุ่นวายแต่คาไม่มีปัญญาว่้วก็ไปเจอที่นั่นมันวุดนวายแต่กเจ้าจะติดกับงั้นไม่ได้เลยตรงนี้ตวน่ยเป็การดูแาเกษตร ก็คนขาคือคนโง่ค like, ือคนไม่จักคือคนด๋อหมกอยู่แต่ทนรู้ทั้งหลายรู้แล้วในความอยู่ที่นม่มีนวุ่นายคือนั่นในตัดต้องก็เพราะเห็นว่าของเขาเป็นเของเขาอยู่อย่างนั้นอนี้พื้นฐานของการปฏิบัติพื้นฐานของความเห็นของการประพึกปฏิบัติไม่ต้องเป็นอย่างนั้น ไมรู้าเรามารู้มันก็เป็นโทษไม่รู้รกอยึดมัน่นไปถือมั่นมันตลอดกาลตลอดเวลาอารมณ์มันมีอารมตามีหูมีจ ม, มูกมีลิ้นมีตมีกระบวนการจิตเฉยๆตรงนี้ทุกคมรู้จิตจตนาเดียวนั้นทั้งๆในเวล า, วานัา้นตาหูจมูกลิ้น ใมผัสถู ก, กออาาต้องล้วต่ว่ามันเป็นธรรมารมซึ่งเป็นตำเต่าที่มันถูกวาในเวลานั้นมันเบิดขึ้นมาอยู่ที่ใจเพราะว่าในเวลานั้นแ ม, ม่เลยย่้อนแม่ก็ตามทเธแต่ว่ามันมีอยู่มันเป็นของเก่ามันก็เป็นธรรมารมเป็นธรรมะอารมณ์ ม, ม, มันเป็นเด็กปฐมบาลมันังงี้ยอยู่ในใจแล้วแบอุต่าทุ่มมอุตาห์ทุ่มเมื่อมันใ น, ในทางอะไรมันก็ระเบิดขึ้นมาเกิค ว, วามยินดีขึ้นมาตัวความยินดาขึาววาน้นม า, าอันนี้คือของเก่าที่มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นตาก็ไม่สเห็นโผก็ไม่สมเหตก็ไม่เคย วินต่างกันเยอะแต่อ่าเม่อเราตระหนักในต์ว่ามีอารมณ์ทงกิตเกิดขึ้นมาทุกข์แต่ขณะทุกิ์ที่มันเกิดขณะทุกข์นั้นจิตนั้นก็ยังหลงของมานอีกด้วยยังไปหลงวัตยังไปหลงใชอยู่ในสถานที่นั้นอีอืมนี่ถ้าเราเห็นตรงนี้ถ้าเราดูตรงนี้ เราทำสมาธิเห็นธาตุอยู่อย่างนี้อแล้วก็พยายามดูที่มันเกิดแล้วมันก็ะดับมันเกิดแล้วมันกระลับหลาบแล้วมันเกิดเกิดแล้วมันกระลับนั้นเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนั่นมันจะทําไมใครถึงนั้นเนี่ย ที่พขาโยคาวจาราเห็นทรบว่าอันนี้มันเป็นทัรมั้าผ า, าอันหนึ่งฉะนั้นนี่นอะไรนะมันเปิดแล้วมันก็รับไปลับแล้วก็เปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาแล้วตาดไปก็าเพื่ี่จาท่านจะเห็นผิดอันนี้เราจะต้องเกิดตับอยู่ฉะนั้นนั้นตัวนี้ตัวอย่างอางนอื่ถ้ารู้พัดมันมามันก็เกิดสัเข้องมันดูอย่างนั้น มัเหนโกเนี่ยสุขธรรมาันที่สว่างมันก็สว่างสุขธรรมดามันเมื่อยมก็มื่อยมันก็เป็นอานั the the ้นอยันแต่คนที like ่ยุ่งในตารงานก็จะเหตมนว่ามันมเมื่อโลไปดื่อมันสว่างโลไปอย่างนี้ถ้ารู้ตามเป็นจริงของมันแล้วมันก็เป็นเรื่อนของมันเป็นจมูกอย่างนั้นอันนั้นอยู่กับเรามันลง พระพุทธ้าพรพุทธปฏิบัติให้ปฏิบัติเพื่อหายหลงเพื่อนั้นหายหลงพระบรมอาจารย์ผู้ใดูพวกเราอยูอเนี่ยศึกษาทึกษาให้สะเทความจจริงแม้จิตสงบมีสติอยู่มีสติสัมญะอยู่เป็นสมาธิอยู่มันเป็นโดยที่สมบูรณนะ มันเห็นอาการทางหไหนมัน เ, นเป็ตนๆนั้นนั่นก็เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ขึ้นมาอืมเช่งทิ้งที่มันเกิดขึ้นมานั้นทิ่งที่มันเป็นอยู่นั้นอยู่เสมอและเราจะเห็นอาการของนั้นตามความเป็นจริงของมันงม้นรู้ว่าว่ามันเป็นตร ง, งมันอย่างนั้นอยู่ เมื tua, tua, ่อเห็นพักนนเราก็ไม่ไม่ต้องเพิ่อะไรมันดีไม่ต้องไปถอนอะไรมันดีตัวีมีคามสมเหตุวนั้นแต่คนทีพไเพิ่อะไรมันมาไปถอนอะไรมันมาคือคนถึงอารมณ์มันจะเกิดรุ่งเกิดรุ่งร้ายเกิดความไม่สงกที่พระพุทเจ้าสอนให้เห็นโลก คือโลกคือมันตามเป็นจรงอยู่แล้วมันมีความจริงของมันอยู่อย่างนั้นท่านเห็นชัดเลยทันทาว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีทางจะแก้ไขเลยท่านจะแก้ไขตัวตัวเราเองแก้ไขความเห็นเราเองแก้ไขตัวเราเองไม่ใช่ไปแก้ไขอย่างอื่ ถ้าเราไปเจาะเขายางอยู่นั่นก็ได้มันเป็นภายนอกนอเมืว่ากัวมันเกิดมาจากนั้นแค่ดูมองดูรูปด้เราฟังเสียงแต่รเราก็เห็นน้ารูปนั่นมันเาไ ม, ม่ชอบมันรู้เสียงมันม่นเาไม่ชอบมันก็ น, นึกว่ารูปนั่นเป็เหตุที่หายใจเราไสบายก็นึกว่าเสียงนั่น อันนี้ใจเราไม่สบาตอนนี้ว่ารูปมันเป็นเหตุทียงมันเป็นเหตุแต่ความจริงๆนั้นเอตุที่สุตรงนั้นมันเหตุอ ย, อยู่ที่จิตของจ้าองมิ 10. ตมรถ้าเราก็ไปสำคัญนั่นหมายว่ามันเป็นอย่างนั้นบามันเป็นอย่างนี้น แต่ความจริง น, นั่นมันเหตุเกิดอยู่ที่เราเราตั้งใจว่ามันเหตุเกิดอยู่ที่โลกเสียงสิแต่ความจริง น, นั่นมันกระทบถูกต้องมันกจากความเห็นนี้เองอันนั้นต้องไปอยู่กาพต้องอย่างนั้นนี่ไปไปอย่างอื น, ะนฉะนั้นพระพุทธเจ้าะจุดจุดให้พุทธบริษักรทั้งหลายมาลูโลก มารโลกอันนี้ให้มันแก่มันรู้เรื่องการความจริงของมันการรูก้การความจริงของมันแล้วยก็ไ ม, มีทางอะไรจะแก้ไขมันผลนตามมันจักตัญญา่้เท่าสังขาร บาตรทั celular, ita, ini, ้ง si ันเป็นจริงอย่างรรู้เท่าตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นด้วยปัญญารู้เท่าตาวารนั้นคือความจริงทุกอย่างหัวเราได้ยินไปดีอายตนะทั้งหลายที่มวมอยู่นี่เมื่อเราได้ยินไปมนกัชจะจะทำ การจักระทำตรงนั้นเน่ยั่นคือความจิงทรงนั้นนี่ยพะเราไม่รู้จากความจริงมันก็เลยเป็นของปลอม้ช่ไหมก็ไปพงพุ่งมันเนองนั้นก็บพุงมันเป็นอย่านี้ต่นก็เป็นอย่างนั้ไปต่อมันเป็นก็เป็นผุพุ่งไปยังอู่นต้องประเมินนันเป็นของมันอย่างนั้น ถ้าราเห็นฟังก์ชนตรง น, น, นี้เราก็รู้จักสังสอนจิตของเั้าของเลยว่าอันนี้มันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตอารมณ์นั้นก็สักว่าอารมณ์นั้นนั่ น, น, นมาจากไหนใครจิตนี้ก็สักว่าจิตชนั้นไม่ใช่ักมุกมุกเสือเป็นดาวสาวเรียกว่าจิตเนาะ คนที่เกิมก็มีอะไรทำ้าให้ครถึงนั้นอารมณ์ก็เป็นดุลยเดชจิตนั่นก็เป็นดุลยเดชจัดการประเล็ในต่างของเวทในต่างมีใจมากก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นผลอารมณ์ที่มันเกิดดับกระดเอผลอารม์ดีเกิดตามอารมณ์ผัวก็ตามก่อเรี่ยวร่ามันเป็นดุลยเดชนย่างนั้น เราก็เป็นหนึ่งในวทต้ออ่านสังตัวทวัตถุี่เจ้าตัวทวัตถะันเนียตัวที่จะทำแบทุกตะวัขอ ง, งเราที่เปนตัวทวัตถะถ้าเราทำลายกระบันการนั้นถ้าเห็นเรามังทัดเด่นนันจะเป็นพระสมบูรณ์เห็อ น, อ น, นเราไม่ังเนเป็นองในทิ้ง ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังสารในวิญญาณทุประทานนั่นหมาย น, น, นั่นต้องนั่นปยจจุบันถือนั่นในฐันทั้งห้าถ้าปัจจุนันเป็นฐันทั้งห้าเป็นกองแล้วมันเป็นกอ น, น ก, อกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังสารกองวิญญาณ น, นี่จ็ุรันห้า ที่มัมีห้ากองกระพุกจ้าวชนเมฆทุกนาสันห้าใครมันเป็นพุกขันห้ามีมันเจ็ดพุกกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเราจะยึดมั่นถือมั่นว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาโดยไม่เหต่เลยจะตา้เป็นจริงว่ามันเป็นขันห้า เพราะโยาสัญญาสังสารยนญานี้ไม่สช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เรียกว่าสังา์มันเป็นกองมันเป็นปองกองกองรูปมันตป็นกองกองโาก็คือกองสุกองทุกนั่นมันเป็นกองสัญญานม่มันจะเป็นกอง สังขารนี่เป็นตองวิญญาณนี่เป็นกองไอ้จิตมันเป็นตองตปองมันเือะกว่ามันเป็น้อคนเราคนคนมันมีอยู่ห้ากองมีอยู่ห้ากองกองลูกมีกองเวทนาจะมีกองสัญญาจะมีกองสังขารกองวิญญาณเราจะอยู่จะได้โดยฐานห้านี้ท่านบอกกเรื่องมันเป็นกอง ผู้ที่มีความทุกมีความอยากนอนก็พระยุดเอาข้อนี้มาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเขาเป็นทุกข์ขันห้านี่มันเป็นทุกข์พรเห็นขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละ อันนี้มันตรงกันข้ามเลยนันตรงกันข้ามตัวนั้นที่ที่ไม่ใส่ตัวใช่ตนเราก็จะแบบตัวตนที่ที่ไม่ใช่เราใช่เขาเราก็เข้าใจะแบบมันเป็นเราเป็นเขาอันนี้มันเปนมิจฉาทิฐิความเห็นผิดจากหลักธรรมะเมื่อมันผิดจากหลักธรรมะมื่นก็เกิดทุกข์ ก็จริงทั้งหลายแล้ว <mythology> มันเป็นก้อนเฉยๆมันเป็นก้อนเปกองหพอย่างอืนนอกนี่ไปทุกข์อย่างด็ดขาไปแล้วจะจบเกิดจนแล้วจะจบเกะดไปมันไม่ยั้อยู่หาวองอยู่มันเป็นอยู่แบบนี้ท่านจเลือกอะไอ้ขนตระหเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่คนเราทั้งหลายนองนะเห็น บาวตรงของคุณนั้นบราขัดแย้งกันตลอดเวลาคือท่านเห็นธรรมะก็คือท่านเห็นตรงนี้ท่านตัดรู้ธรรมะก็คือตัดรู้ตรงนี้เราจะรู้อย่างอื่นมันเห็นพัดไปด้วยสันห้ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใชเขาจิตมันก็ปล่อยวางพอจะเห็นว่าสันห้ามนไมเปไปดไปะนั้นมันตัวับ เห็นคนจันเด็ดขาดอยู่ตลอดเวลานั่นจะเป็นหนึ่งว่าเห็นันนี้จะไม่รู้จะทํทำอะไรมันเมื่อมันเห็นทีถูกต้องเห็นง่ายๆคิดง่ายๆอ่างนั้นเกวดดับไปมันลูกเดียวก็เกิดไปลูกเดยวก็ดับไป หาสิ er de de ่งใดจะมาเกิดดับในดินอกจากสุขกับทุกข์แล้วทุกข์มันเกิดแยกประดับไปทุกข์เกิดแยกประดับไปมันเป็นเรื่องของแบบนี้เองถ้าเราไม่รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเราจะไม่รู้ธรรมะถ้าเรารู้ธรรมะก็เหมืนเชื่อสิ่งทั้งหลายแบบนี้มันเป็นอยู่างนี้หมดทางที่จะแก้ไขเรื่องเกิดถึโลกเห็นจินตนากาโลกแบบมันเป็นอย่างนั้น ถ้าเห็นก็ไม่ต้องเครียดใสเหมือนถ้าเห็นใจก็สบายก็สบายเหนโลกอนิจจังจริงๆแบงนั้นการเดียวกับเห็นปัจจุภมภปัจจุภมภคือเห็นรูปเห็นนามนี้่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เมื่อคุณเ้็นออังขาางเรื่องเราจะนออกจากตัวของเราออกจากตนของเรา น, นันก็เลยสุดตนเป็นสิ่งที่ว่ามีตัวตนมีหน้าหน้ารา้าย่อยหนึ่งที่เรีว่าอ่าศนิบุบทซึ่งเป็นอาจารย์ของพระพุทธมันจะมีบุตรจะออกไปุดโดนแล้วก็มีสามปัญหาด้วยกานข้าศนิบท ถามปัญหาของพระคุณจะมีบุตรท่านคุณจะมีบุตรท่านจะออกไปติรงถ้ามีคนมาเดือนถามท่านว่ารูปเบตนาสัญญาสังสารวิญญาณมัตายว่าเนอะไรท่านถามมา คนาันองธรรมีบรู้จักว่าตัวตนสั้นยากังขันยิ่งยันเกิดแยกดับไปท่านไม่เห็นว่าท่านเกิดแยกสันดับไปตรงนั้นมันมีท่านไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไ่มีเขาท่านเคยตอบพระอาจารย์ว่าพระสีนาตกใแว่าเป็นอะไรไม่ใช่อะไรท่านเคยตอบพระเพียงว่า โเูเบตนาสัญญาตสามยืน ย, น ย, นยัเกีดยวับไปพระสารีบุตที่เป็นอาจารย์กับพอใจในความเห็นของโรกคิว่าอย่างนี้ไปได้ไหมท่านก็แปลว่าวพัะุทมัตมีบุตรไปสุดนีท่านถามอยางนั้นเพื่อ ตอบความเข้าใจของลูกศิษย์เมื่อลูกศ์ตอตอมาตามความเป็นจริงจนนั้นเมื่ตอต่อนั่นหมดตายแล้วหมดดูจะไปเจาะตัวหรือตนตัวนั้ น, นยันมพระคุณาตกตายแล้วเป็นอะไพระคุณาตกตะเัียบตะขิ้นแต่ขึ้นบุรุ่ทั้งหลายแล้วตายได้เป็นอะ ถ้าคนมันจะมีรู้แล้วว่าท่านประจกบมาแล้วได้เห็นมันเป็นอย่างนั้นท่านมันเห็นมันมีอะไรเห็นตะเพียงว่ารูปเภทน า, าสาัญญาต่ารๆโยนยาตัวต่ดับไปไม่มีใครกิดไม่มีใครตายื น, นั่นก็พ้นที่ตายแล้วพ้นที่ตายแล้ว อยางพระโมคคัลลาเห็นจิเนจ่าทำเป็นทำที่ไม่ตายถ้าถึงจุดอันนั้นไม่ตายทำในที่ไม่ตายแ้วไม่มีคนมันมีสัตว์ถ้าเรามีคนก็ไม่มีใครจะตายไม่มีสัตว์ก็ไม่มีใครจะตายแต่ความเห็นพัดแล้มันพ้นจากตัวตนเราเขา ผลแต่ภาคมีกองดินกองนา้ากองไฟกองลอมผลแต่นะนนกนห้ามีแต่รูปมีแต่เวท น, นาสัญญาสัญญาญญานมนมีคนไม่มีคนตรงกับความทุกพระเบียนถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระพุทธเจ้าคนตายแล้วเกิดีริง พอพุทธเจ้าสันยอาอ่านว่าครามใครจะมาเสดมาตาอยู่ที่นี่ถ้าครามมีความห็นเชนนั้นต้องเือนกันต์นตัวว่าลูกสอนมังกงหัวใจตามอยู่แต่นั้นขวางอยู่ตลอดเวลาแต่วามันเอาออกยากมันเห็นยาก ถ้ม e e mm. ัต mm. ja ja ja ja ja ิดสมมติมันเห็สมมติติดสมมติถ้าเราเห็นสมมติเห็นมีมดตามความจริงแล้วก็จะายไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเจ็ไม่มีใสรตายโลษเวทนาสัญญาสงสารยินญานมันเป็นืม ถ้ามันเป็นคนนั้นอะไรมันจะเกิดคนที่ไหนมีไหมไอ้ความรกจะเกิดคนทีไหมไอ้ความโตจะเกิดคนีีไหมไอ้ความหลงจะเกิดคนมีไหมจริงทั้งหลายวันนี้มันจะเกิดคนไหนเพราะทนเพราะจถ้าการเห็นมันทนไปจาดสัดมันทนไปจักคนแล้วที่เดียวมนจะเกิดอะไรไม่มีที่ตอกนั่นก็ีรี่งริ ลโลดโถดหลงเราก็บมดไปเพราะสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันเกิดสกัดเกิดกัปนุษย์เกิดกับตัวปตนกันเรากับเขาท่านเห็นหน้ามันมีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีเราไม่มีเขาแล้วมันจะเกิดกับอะไรงั่นธรเมะผู้สูงสุดของธรรมะนักบุญอาจารย์ไปพัน นักปราชญหาเราเห็นทนอราเห็นนักปราชญตามไม่ทันนักป่า้ญ์จคือควาตายตามไม่ทันขั้นเป็นผู้ที่จะตายมันจะตายจนตกตนรู้ัึกถ้ามันทนจากตนรู้สึกจะไม่มีอะไรที่จะตายไม่มีอะไรที่จะเกิดะับที่ตรงนั้นไม่มีเลย อันนี้ไอ้ความหมายที่พระพุทธเจ้าของเรามีพุทธประสงค์อยากให้เราเห็นอย่างนั้นท้นจากความเกิดความแก่ควตายทุกข์ก็ต้องไม่มีทุกข์ทุกข์ก็สงบทุกข์กดันนี้ท่านจึงมาให้ปฏิบัติมนท้นจากทุกข์ ถ้าเราไปยึดมั่นแบบเป็นตัวเป็นตนเป็นเรเป็นเขาเป็นกัดเป็นลกคนอยู่งนี้มันก็เกิดแเกตายย่อยันม่เนนนพระพุทธเวองค์ท่านเห็นอย่างนั well ้นท่านสอนอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นเดิมไปก็ไม่มีอะไรมีแตันห้ามีแตกองลูกกองโยธากองสัญญากองสัญญากองวิญญาณมีแต่เรื่องพันห้ามมนเป็นไปตามสภาวะของมันแ่นั้น อันนี้พันเรื่องเดินออกจากตัว ต, วตวน่นมื่อไรจะสะทุกข์นั่นหรือนั่นไม่ถึงท่งหนหานั้นนั่นเป็นผู้จิดหล่อวางโดยเหตนัน้นเ ป, นปภนาว่าทาพันมึงอันนั้นเนีระเกิดพุ่มเรจะดับเตาเกิดพุ่มเราจะดับเตนี้ก็เลื่อนเกิดดับอยูนั้นอันนี้เป็นจุดหมายใจทางที่อมสมเด็จสัตมามันสุตติเจ้าของเราที่ ให้พวกพุทธบริษัทต่างๆนั่นปฏิบัติให้สัตว์รู้อย่างนั้นให้สัตว์เห็นอย่างนั้นถ้าสัตว์รู้อย่างนั้นท่านก็เรียกว่าเราก็ตว์เห็มธรรมรู้ธรรมะเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพุทธเจ้าเมื่อเห็นพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะ อันนั้นเป็นเ่การปฏิบัติเรว่องร้วนทางจิตของเราเรื่องเราปฏิบัติโดยแนะนาท่านสอนการอยู่นี้ก็บวกัาเป็นตัวครับตป็นผิวธรรมสอนเร่างผิวธรรมมีสอนเรื่องตัวเร่องตนเรื่องเราเรืเขาอยาจะเหียดเยีนที่กันเยียนตันป็นตัวเราเเขาเปเราเป็เขา สอนทำเมื่อวนรุ่งตอนดึ ว, ดว่าไม่มีเรามีเขาอะพูดง่ายๆนะไม่มีเรามีเขาสอนออเราานื่องศีลธรรมนี้มันก็ต้องมีเรามีเขาในความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นมีพุทธเจ้าโสมอยากจะให้สาวกท่านหลายเป็นอย่างนั้นให้รู้อย่างนั้นให้เห็นอย่างนั้นให้เชื่ออย่างนั้น สงบเงนยบสงบสงบจับจับสงบจักบุกบุกจักตัวจับตนจักเราจักเขามันเป็นหกดทั้งสิ้นนี่ในทางคุปตะศาสนาของเราตั้นแต่ตอนนีงนั้นแปลว่าคุปตะลุกขร้ จะมีสัจหาจควาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามคำนองนั้นลำบากยากไม่มีสัจหาแต้ความไดนยินอย่างนักบวชตอนนั้อย่างพวกเราเนี่ยพูดง่ายว่าว่าว่าวิสัยมาแล้วว่าบานได้ฟังมาแล้ว อะไรสงบสงบตะกิ้ท่อะไรเป็นมีไสสารสรรมนะอันนั้นเป็นขี้ไม้เป็นเต้าไม้ของตกเราสงายเป็นเต้าไม้ของผู้ประพตเป็นเต้าไม้ของคู้ปฏิรัติอัสนั้นจันจรสารละพุทธละมนนะ รู้คือความเห็นมะมะคือความยุติได้คือความยุติไดา